ที่โทษนี่ไม่ต้องศึกษาอันนี้เป็นการปฏิบัติให้รู้เมื่อปฏิบัติให้รู้มันเป็นรู้มีสองอย่างด้วยกันปฏิบัติเพื่ออยากรู้แค่ที่หนึง่งปฏิบัติเพื่อความอยากไม่รู้อีกสนิดหนึง่งปฏิบัติเพื่อความอยากรู้เป็นอย่างไรปฏิบัติเพื่อความอยากไม่รู้เป็นอย่างไร ถ้าปฏิบัติไปแล้วก็จะชอบถามคนนั้นจะชอบถามคนนี้อันนั้นไม่ใช่ปฏิบัติเพื่ออยากรู้ปฏิบัติเพื่อความไม่อยากรู้อยากไปถามคนอื่นเอาจำคำพูดของคนอื่นเอาอันนั้นปฏิบัติเพื่อความไม่อยากรู้เข้าใจยางไงปฏิบัติเพื่อความอยากรู้นันไม่ต้องถามใครที่ไหนให้เราปฏิบัติที่ตัวเราอันนี้ปฏิบัติเพื่อควอยากรู้เพราะของจริง มันมีอูสตลอดเวลามั้นเรามาที่นี่วัดสนามไหนปีนี้ห้ดมดเพื่เพื่เพื่อ่เนยต้องเป็นคนกินถ้าคนไม่กินหลอกและออนแอปฏิบัติก็ไม่เก้าหน้าถ้าสงฆ์ก็ไม่เก้าหน้ายากโยมมารักษาศิลมาปฏิบัติธรรมก็ไม่เก้าหน้าเมื่อไม่เก้าหน้าก็เสียเวล า, าการงานของพวกเราเรามาบวดมาสูสา่ศาสนา ยิ่งทำให้พุทธศาสน า, าเจริญต้าเป็นคนเข้มแข็งเป็คนเอาจริงพูดก็จริงทำก็จริไม่โกหกตัวเองไม่หลอกเลยงตัวเองบางคนนี่โกหกตัวเองหลอกลวงตัวเองโกหกคนอื่นไม่ได้โกวกตัวเองว่ายังไงก่อนไม่คจะทําอย่างนั้นไม่ทํำจะทําอย่างนั้นไึ่จะพูดอย่างนี้ไม่พูดจะพูดอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเอง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 พูดแต่ละโน้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลในทิฏฐิเสมอกันเราสวดกันเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจมันก็รู้กัเห็เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าอันนี้เรามันมีเด็กพูดพูดหลายคำพันคำนิ้งคำแสนคำยื้อกลางกระทำครั้งเดียวไม่ได้การกระทําเนี่ยถ้าทำผิดก็ไปผิดทํำถูกก็ไปถูกไปเลยตรวจตั้งใจ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 แล้กำะมาทำให้คนที่มีสถทาเสียไปพวกเราวัดกะนาำในก็คล้ายๆกันตัวเดียวนี้เดี๋ยวจะเข้าไปรษายห้แล้วเราต้องตบรวมเข้าพัรษต้องติดใจเส้นแผนตู้โกชินทำโกชิตถ้าทุกคนอยู่ที่นี่ติดคนอยู่ที่นี่ิุถ้าทำจริงแล้วถึกกันอไปเป็นครูสอนคนได้ อ, อันนี้เยอะเข้ามาแล้วมันจะพูดการสอนไม่ดี นั่นแหละเรื่องดีเพราอยางปัญญาของวิพัฒนายอย่างไม่เพิขึ้นการใช้การเลืกทำเลือ ก, กอยังไม่ได้เ้งอย่างไม่ไดูจริงต้องสอนพระพาสผิดใปเมื่อเรารู้นีดีเนี่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราไม่สนใจจริงๆเราไปสนใจร่วมตื่นมาตื่นไปถ้าเราว่าไม่ไดูจริงเราจะสอนคนให้คนลงผิดสอนคนลงผิดมันก็พาเขาไปผิด ตั เ, เองก็เป็สะพานนห้คนเหยียดเราใจให้มันอึดยิ่งตึงอ่ะนะสำคัญการงานเวลามัา่างข้อตุ๊กตุกจริงที่หลองพ่อทำมาดูสองหลวงพ่อลุกแล้วดูชมคมเล่นทำงานแล้วไม่งานเลยแต่ต้องรักงานรักงานรักหน้าที่ทึงเวลาต้องทาอย่างที่เรามาทารักเนี่ยคนใด ท, ท, ที่เกลียดทำงากก็เสอนเราคนไม่รักการไม่รักงานภาพตุ๊กตุที่หลีดเหมือนกันนะ วันข้าไปวนไหนวันนึถ้าเวลาทาํานัดก็ไม่มาก็จะบอกว่าคนนั้นจะปฏิบัติทำมาก้าวหน้าทำเลยมันขี้เกี่จคืออะไรอุ้มันมเลยเก้าหน้าเพราะถึงเวลาไม่เอาการเอางานเดี๋ยกาญงานมันจะเกิดขึ้นได้ทำไมนึงเวลาต้องทำการงานของเราต้องทำงานที่ของเราต้องทำอย่าใ ห, คหค้คนอื่นทำแทนเรไม่ได้คนอุ่นทำก็คนรุ่นที่คนอุ่นไม่ทำคนอุ่นก็ม่ีที่เราทําลก็รู้ที่ มีรูคนละเดใจโอสบ้บาเปลืองเปลืองโอตาคนไม่มีคนละไอเดใจไม่กลัวนคนไม่จัดคนเรื่องของเราว่าเราดีเราด้วยกันไม่ต้องเป็นคนประจําไหก็เป็นคนแขนขาหน้าตาเมย์เทาเป็นคนจใจใจหนื่งกับมือกับตัวยันรู้อะไรไม่ได้อย่างนครับที่ผมได้ม า, มาให้ขอ้อคิดเป็นเรื่อนเป็นองจิตและจิตใจในวันนี้ก่อนเยอะกว่าทุกคนจําได้เราต้องปฏิบัติให้เก้าหน้า รู้จากการเนรู้จากงานรู้จากเวลารู้จากเขาเลิกสถานที่รู้จากเข า, าเลิกโยบุคคลที่กินแล้วก็รู้จากเข า, าเลิกตัวเองนั่นแหละยกมือไ่ว้ตัวเองเพราะการทําดีของเราเพราะเรามีขนาดมี้ด้มวยแล้วก็มีคนงานของเราคุณรู้คนงานของเราจะคอยสวา่างขึ้นสว่างขึ้น